พระพุทธเจ้าผู้ทรงเป็นพระอรหันต์เป็นพระอรหันต์เพราะทําลายซี่กรรมแห่งสังสารจักรถอดลิ่มแห่งสังสารวัฏออกได้แล้วนั้นคนที่จะศึกษาเพื่อการดับทุกข์ตามพระสัมมาสัมพุทธเจ้าต้องมาศึกษากลไกลของวัตตะของตัวเองว่าวัตตะของตัวนี้เป็นเป็นเช่นไรอดีตเหตุปัจจุบันผลอย่างไรปัจจุบันเหตุ อนาคตผลอย่างไรเพราะชีวิตเมื่ออยู่ในอนาคตปัจจุบันผลปัจจุบันใเหตุชีวิตที่โดยสภาวะนะตามตามเป็นจริงในขณะปัจจุบันเนี่ยมีแต่ปัจจุบันผลกับปัจจุบันเหตุปัจจุบันผลปัจจุบันเหตุทุกครั้งที่มีปัจจุบันผลต้องตามมาด้วยปัจจุบันเหตุเสมอแล้วปัจจุบันผลนิดเดียวแต่ปัจจุบันเหตุมากมากจริงๆนะ เพราะในโลกของชาวนาทางมนโนทวารเนี่ยทำกรรมมากจริงๆเราคิดดูนะบางคนเนี่ยชั่วแปบเดียวเนี่ยคิดอะไรได้เยอะแยะไปหมดเลยไอย้ตัวความคิดตัวนั้นคือเจตนากรรมเนี่ยนะแล้วเมื่ อ, อไรมันจะจบเล่าวะัฏะนี้เนี่นยนะหวังว่ามันจะจบใช่ไหมก็ได้แอบแต่นึกๆในใจ น, น, น่าจบได้แล้วน่าจะพอได้แล้วแต่ถามว่าจเจริญศิกขาอย่างไรเพื่อจะออกจากเหตุเหล่านี้ขึ้นนะ การเรียนรู้เหตุเรียนรู้ผลเรียนรู้เหตุเรียนรู้ผลอะไรเป็นผลอะไรเป็นเหตุผลมาจากเหตุอะไรเหตุเหล่านี้จะมีผลอย่างไรต่อไปเนี่ยความเข้าใจเหล่านี้เรียกว่ายถาภูตยานทัศนะรู้เห็นตามความเป็นจริงเท่านั้นนะยังไม่ได้ทำอะไรเลยพูดง่ายๆว่ายังไม่ได้ทำอะไรเลยยังไม่ได้ปฏิบัติอะไรเลยที่เรียกว่าปฏิบัติเพื่อออกเนี่ยนะยัง เพียงแต่ว่ามาทําความรู้จักว่าอะไรเป็นอะไรเท่านั้นเองดังนั้นกรรมมักตาปัญญาหรือปัจยะปริคหายานจนถึงอุทยพย า, ยานเนี่ยเป็นการรู้โลกเห็นโลกพร้อมทั้งความเกิดขึ้นของโลกตามความเป็นจริงแล้วรู้ได้ด้วยว่าถ้าดับอะไรแล้วผลอะไรจะดับต่อไปยังไม่ได้พูดถึงข้อปฏิบัติเพราะฉะนั้นวิสุทธิตามหลังจากมาัคคามัคคายาณทัศน์วิสุทธิคือปฏิปทา ญ า, าณทัศนวิสุทธิการปฏิบัติปฏิปทาญ า, าณทัศนวิสุทธิเป็นต้นไปนั่นแหละจึงเป็นวุฒธธานะคามินีวิปัสนาเป็นการปรับพติเพื่อออกจากวัะเนี่ยนะถ้ามองเปรียบเทียบเนี่ยนะเหมือนกับคนที่มีนี่มีศีลมากเพียงแต่ทำความศึกษาว่าเอ็ น, นี่ศีลที่มันเกิดทุกวันเนี่ยมันเพราะเหตุอะไร ก็สาวไปหาต้นเหตุโอ้นี่สินมาจากเหตุนั้นเหตุนั้นเหตุนั้นอันนะไปกู้ที่นั่นมานี่เห็นไหมใบทวงมีเช่ามีเย็นมีวันละไม่รู้กี่รอบต่อกี่รอบอะนนะพลิกกระดาษใบไหนก็มีแต่ใบทวงนี่องเง้เสร็จแล้วในขณะเดียวกันเนี่ยกิจจวัตประจําวันคืออะไรโครงการมีโครงการที่หนึ่งกู้โครงการที่สองก็กู้โครงการที่สามก็ดาวโครงการที่สี่ก็ผ่อนอย่างเงี้ย น, นะก็มีอยู่แต่โครงการประเภทนี้ตลอดเวลาอันนะั แล้วแล้วจะต้องไปจ่ายที่ไหนเพราะ โ, rese, โครงการผ่อนดาวแต่ละครั้งทุกครั้งเนี่ยมันมีรายจะต้องจ่ายเมื่อไหร่เมื่อไหร่ชัดเจนหมดเลยใช่ไหมถ้าคนที่มีความรู้ว่ามันมีจ่ายเป็นงวดเป็นเป็ น, เ ป, นเป็นช่วงเป็นเรื่องเป็ น, ป น, ปนราวของเข้าไปเพราะฉะนั้นโครงาการเนี่ยมีแต่ผล ข, ของนี่คือใบทวงและขณะเดียวกันก็ทําแต่โครงการกู้แล้วเมื่อไหร่คนมีปัญญ า, าก็เลยคิดว่าเออเมื่อไหร่นะไอ้ระบบเหล่านี้มันจะหมดสักทีนึงเมื่อไหร่จะทําลายระบบเหล่านี้ decoration? ได้ก็เลยเป็นที่มาของว่า ศึกษาและปฏิบัติอย่างไรจึงจะใบทวงหนี้เก่ามันจะหมดไปแล้วก็โครงการกู้ใหม่ๆจึงไม่มีอันนี้คือข้อปฏิบัติอันใหม่ที่เป็นทางเลือกที่มีแต่ที่พระพุทธเจ้าเท่านั้นสอนเช่นสติปฐานคืออนุปัสนาเป็นต้นนั่นคือข้อปฏิบัติเพื่อตัดโครงการกู้เนี่ยนะแล้วก็หนี้สินที่มาก็ใช้ซะใช้ใช้ใ ช, ใ ช, ใช้ใช้ให้หมดวิธีใช้หนี้ก็คือเจริญอนุปัสนานั้นใน ในสิ่งเหล่านั้นและไม่กู้ใหม่ก็คือการเจริญอนุพัสนาตั้งแต่พังคยานเป็นต้นไปนั่นแหละจึงเป็นการเป็นโครงการเปลื้องหนี้จากวัตตะอันนี้หนี้ของวัตตะนะชดใช้จ่ายหนี้วัตตะวิธีแก้หนี้ออกจากวัตต ะ, ะตัวนี้เป็นการทําความเข้าใจให้เพียงพอหลายคนเขาไม่อยากมาถามบอกว่าท่านจะสอนให้โยมปฏิบัตินี่ทํำยังไงบอกว่าโยมปฏิบัติทําไมเนี่ยนะมีเจตนาอะไรจึงอยากจะปฏิบัติเนี่ยนะ แต่คําถามแบบนี้เขาก็เริ่มมีธุระกลับบ้านแล้วก็บอกง่ายๆไม่ได้หรือจะให้ไปท่องคาถาไหนก็บอกมาสิอย่างเงี้ยนะจะให้พุทโธหรืออสัมมาอรหังอะไรก็ว่าไปเนี่ยนะบอกเออ ก, ก, ก็ก็มีที่อื่นเขาสอนกันเต็มไปหมดอยู่แล้วทําไมไม่ไปเรียนล่ะอย่างเงี้ยถ้าเนี่ยถ้ของมาถ้าใจแอบในใจเราคิดอย่างนี้แล้วแต่เราไม่บอกเขาหรอกเดี๋ยวเขาโกรธปกติเขาบาปอยู่แล้วเดี๋ยวมาโกรธถ้าบาปต่อไปอีกเนี่ยนะ พัน้าหากว่าเขาไม่ไม่เข้าใจเนี่ยนะมันในโลกนี้ถามว่าอะไรคือสิ่งที่น่ากลัวที่สุดก็บอกอวิชาน่ากลัวที่สุดในโลกเนี่ยนะพระองค์จะพออาพระองค์ตรัสว่าเราขอบอกมนทินยิ่งกว่ามนทินทั้งหลายอาวิชานี่ชื่อว่าเป็นมนทินอย่างยิ่งสิ่งที่เศร้าหมองที่สุดสิ่งที่สกปรกที่สุดสิ่งที่เลวร้ายชั่วซ้ ม, มากที่สุดคืออวิชาคือความไม่รู้ ความไม่รู้เนี่ยนะแล้วก็หมูสัตนะเมื่อก่อนเนี่ยเราไม่เชื่อนะว่าเรานี่ชอบอวิชชาเราเชื่อไหมว่าเราเนี่ยชอบอวิชชานะําชินเชื่อไหมว่าตัวเองชอบอวิชชาเราเชื่อนะมีใครไม่เชื่อว่าตัวเองยินดีในอวิชชาบ้างเขาบอกว่ามีคำถามที่ลักษณะประกาศตัวเองว่าฉันชอบอวิชชาเนี่ยคำถามประเภทไหนรู้ไมถ้าไม่รู้สิ่งนั้นแล้วมันเสียหายนักหรืออย่างไร นะเช่นว่าถ้าไม่อ่านพระไตรปิฎกไม่มีความรู้เรื่องพระไตรปิฎกแล้วจะปฏิบัติไม่ได้หรือเนี่ยคือคําถามประเภทที่ขออนุรักษ์ความไม่รู้ต่อไปเนี่ยนะเออไปฟังทำเรื่องนั้นอู้ยากไม่ฟังหรอกเนี่ยนะนี่เรียกอนุรักษ์อวิชชาต่อไป เ, ออเรื่องนั้นมันยากฟังเข้าใจยาก่นะว่า อ, อริยศาสตร์เป็นของยากเป็นต้นเนี่ยก็เลยคําพูดคําว่ายากนะไม่ได้พูดเพื่อเพียนนะโดยมากรอาก้รอยละเก้าสิเนี่ยโดยเปอร์เซ็นต์เนี่ยนะหืออาจหนึ่งในพันก็ได้ ที่บอกว่าพูดคําว่ายากเพื่อเพียนแต่ในยุคหลังๆมาเนี่ยคําว่ายากพูดเพื่อแก้ตัวจะได้ไม่ต้องเรียนซึ่งปกติก็ไม่ค่อยชอบอยู่แล้วที่จะเรียนแบบนั้นใช่ไหมก็เลยบอกโอ้ยากยากลึกซึ้งก็ผู้อ้างแก้ตัวไปวันๆหนึ่งนะบอกปิดตัวเองจนออกจากวัตฏะไม่ได้จะด้วยเหตุผลใดก็ตามชั้นยังไม่ออกขอเฝ้าวัฏฏะตลอดไป <laughs> น, นะก็กผมมาเคยสังเกตนะนะก็มีคนสูงอายุกลุ่มหนึ่งอันนี้อันนี้ชนบทนะไม่ใช่ในเมือง ในเมืองไม่ทราบนะแต่มาของมามาจากชนบทเนี่ยนะสมมติถ้ามีคนอายุเจ็ดสิบแปดสิบเก้าสบชวนไปฟังธรรมบอกนั่งไม่ได้ปวดก็ปวดเมื่อยก็เมื่อยแต่บอกก็ย้ายปีนี้จะเส้นผีแล้วนะครบปีอย่างเงี้ยยายไปเถอะเนี่ยนะโอ้ยอันนี้เอารถเข็นมาเข็นก็ไปเนี่ยนะบางทีก็ประคับประคองไปเองก็ไปเนี่ยนะอ้างว่าฟังธรรมอ้างว่าปวดอ้างว่าเมื่อยอ้างสารพัดอ้างจนจนถึงว่านั่งบนอย่างนั้นไม่เป็นไร มันบางคนเนี่ยจนถึงขนาดว่าปกปิดตัวเองปิดขั้นตัวเองพยายามปกปิดปิดตัวเองหนักๆเข้าปิดขนาดไหนรู้ไหม <leveraging> เคยเห็นตัวไหมไหมใครเคยเห็นตัวไหมบ้างตัวหม่อนไหมเนี่ยนะนอนเนี่ยตัวใยของอผ้าไหมที่เรามานุ่งๆกันเนี่ยคือมาจากน้ําลายของตัวนอนมันจะพ่นน้ําลายหุ้มตัวเองจนหมดเลยมันกันหุมใครเรียกว่าหุมดักแด้เนี่ยนะ เพราะฉะนั้นก็ในในตัวไหมทุกตัวมันจะมีดักแด้อยู่ในนั้นพันเวลาที่เขาจะสาวไหมก็เอาดักแด้นี้ไปต้มแล้วก็ค่อยสาวออกมาสาวออกมาพั้นถามว่าทําไมจึงมีพวกดักแด้หุ้มตัวเองขนาดนั้นนั่นแหละคือการที่ปกปิดตัวเองให้ให้มันเก็บตัวเองให้เงียบที่สุดไม่ต้องการที่จะรู้เห็นแสงสว่างในการออกจากทุกข์ก็พยายามปิดกั้นตัวเองเนี่ยนะ พันธุ์งูสัตว์เหล่านี้ไปอยู่ในใบไม้ก็ม้วนใบไม้เพื่อจะซ่อนตัวเองได้พวกนี้เปิดเผยตัวเองไม่ได้ตกปิดตัวเองที่สุดเท่าที่จะปกปิดได้บางพวกก็ใช่ยอยู่ใต้พื้นดิน น, นั่นคือเหตุเหตุคือปกปิดตัวเองไม่ยอมหันหน้าเข้าสู่อริยสัจธรรมไม่ยอมที่จะเห็นแสงสว่างแห่งดวงอาทิตย์คือพระพุทธเจ้าไม่ต้องการรับแสงสว่างจากแสงจันทร์คือพระธรรมบังก็เลยพยายามปกปิดตัวเองก็มุดตัวเองอยู่ในน้ําบ้าง ไปมุดตัวเองอยู่ในดินบ้างมุดไปลึกเข้าไปตกนรกเลยกันนะ ก, ปกปตต็ตกปิดตัวเองไว้ตลอดตกปิดตัวเองไว้ตลอดเขาจึงเป็นบุคคลที่น่ากรุณาถ้าเขาคนนั้นคือเราด้วยจะน่ากรุณาขนาดไหนเนะแต่ว่าเราไม่รู้สักอย่างเดียวนี่สบายมากนะเออไม่รู้อย่างเดียวทําได้หมดอ่ะนะทำอะไรก็ทําได้อยากก็พูดอะไรก็พูดไปเรื่อยเนี่ยนะแต่พอเริ่มรู้แล้วเริ่มกลัวภัยแล้วแต่ความกลัวภัยในาศาสนานี้ท่านถือว่าเป็นทรัพย์นะ ใครที่กลัวเป็นเนี่ยท่านถือว่ามีทรัพย์เอาสิอนนใครที่ไม่รู้จักกลัวบาปเลยเนี่ยเป็นคนไร้ทรัพย์อันน้เขาบอกว่ากลัวเสียเงินเนี่ยเขาบอกโอ้กลัวเสียเงินเสียทองคนนั้นให้รู้ว่าคนมีเงินมีทองถ้าเ้าพูดว่าเขากลัวเสียเงินเสียทองในการใช้จ่ายเนี่ยนะแสดงว่าคนนั้นมีเงินมีทองถ้าบอกว่าใครที่ไม่กลัวในการใช้เงินใช้ทองแสดงว่าไม่มีหรอกนะเพราะไม่มีมันจึงไม่กลัวไม่รู้จะกลัวไปทําอะไร คนที่มีบุญมีกุศลอยู่ในใจบ้างเขาจะกลัวบาปเขาจะอายชั่วกลัวบาปคนนั้นคือคนที่มีอริยทรัพย์ภายในคนที่มีอริยทรัพย์ภายในจะกลัวบาปกลัวกรรมกลัวทุกข์กลัวโทษกลัวเหตุที่ไม่ดีที่กลัวจะรับสวอยผลที่ไม่ดีต่อไปน้อยคนนักนะที่จะเชื่อว่าความกลัวบาปเป็นทรัพย์เฉพาะตัวเป็นสมบัติ ใครเคยดีใจบั่งตัวเองเออดีนะที่ฉันรู้จักอายชั่วกลัวบาปบ้างถ้าไม่รู้อายชั่วกลัวบาปเนี่ยนะไปทากรรมอะไรขนาดไหนเนอเนี่ยนะแต่ว่าหลายคนที่มาฟังธรรมเขามาก็เชื่อนะว่าเป็นลักษณะคนอายชั่วกลัวบาปอยู่ในตัวถ้าพื้นฐานไม่มีความอายชั่วกลัวบาปฟังธรรมไม่ได้หรอกเนี่ยนะมันก็แสดงว่าสั่งสมอัธยาสัยในความอายชั่วกลัวบาป ทีนี้นไอ้ความอายชั่วกลัวบาปสิ่งเหล่านี้เป็นทรัพย์ของเรานะเป็นทรัพย์ที่เราจะต้องเจริญทําให้มากขึ้นนะสิ่งเหล่านี้จะช่วยถ้าเรากลัวบาปเท่าไหร่แสดงว่าเราไม่เปื้อนบาปเท่านั้นถ้ายิ่งกลัวบาปที่สุดก็ถ้ากลัวบาปคนที่กลัวบาปที่สุดคือพระพุทธเจ้าเป็นสุดยอดนักกลัวบาปเลยนะแต่ในเรื่องบุญเนี่ยพระองค์กล้าทุกเรื่องแต่เรื่องบาปนักกลัวจริงๆเลยนะถ้าใครจะบอกว่าพระพุทธเจ้า นักกลัวก็ได้ก็ถูกต้องเพราะพระองค์มีโอตตะปะมีโอตตะปะกลัวจริงๆเลยนะถ้าบอกว่าพระพุทธเจ้าขี้อายอายมากที่จะทําชั่วกลัวมากที่จะทําชั่วอายมากที่จะทําชั่วเพราะพระองค์นี้เป็นผู้ที่มีอริยทรัพย์มีฮิริมีโอตตะปะอันถ้าเราทั้งหลายมีวิจารณญาณว่าความอายชั่วกลัวบาปเป็นบุญเป็นสมบัติของเราเป็นทรัพย์ที่จะช่วยให้เราออกจากวัตฏะได้ก็แสดงว่าหนึ่งในสเสบียงที่จะออกจาก วัตทุกเนี่ยนะหนึ่งในกุศลธรรมที่จะทําให้ออกจากวัตทุก์แต่ถ้าไม่รู้จักอายชั่วไม่รู้จักกลัวบาปนะให้กรุณาตัวเองเอาไว้ให้เยอะๆเถอะเพราะงั้นก็แต่พูดอีกในหนึ่งนะท่านนี้ก็เตรียมผาชนะเอาไว้เช็ดน้ําตาเอาไว้รองน้ําตาบ้างนะหาภาชนะเอาไว้เป็นคล้ายๆกระโถนเอาไว้รองเนื้อรองเลือดตัวเองบ้างอนะนะเพราะว่ามันจะต้องชดใช้ด้วยอย่างที่ว่านะเสียทรัพย์เนี่ยถือว่าเสียภายนอก เสียเข้ามาภายในก็แทบจะหลังน้ําตาตาแดงกําเลยนะร้องให้สาวมันยังไม่เลิอกไงนะเสียใจแล้วเสียใจอกีกหนักๆก็กเลยโศกแล้วโศกอกีกดอกโศกก็เลยไม่รู้บานไม่รู้โรยเลยครีบโรยไม่เป็นเลยก็โศกแล้วโศกเล่าอยู่นั่นแหละนี่ต่อไปก็เตรียมอะไรไว้รับเลื้อนเนื้อเลื อ, ล อ, ล อ, ลอตัวเองหรือว่าไม่เป็นไรถ้าเราไปเกิดในอบายนะไม่ต้องห่วงหรอกถ้าเราไปเกิดเป็นปลาเขามีจานเงินจานทองรองรับเราอยู่แล้วสนใจไหมแบบนี้ อยู่ในภาชนะเงินภาชนะทองไม่เป็นไรถ้าเราไปเกิดเป็นนกนะเราก็ไปอยู่กรงเงินกรงทองสิถ้าเราเป็นปลานะก็มีตู้กระจกสวยๆมีหินมีน้ําออกซิเจนให้เราด้วยนะก็าคิดในใจนะว่าเอาไหมจะไปอยู่ในสภาพเหล่านั้นแต่ถ้าไม่คิดสักอย่างเดียวนะเอาถ้าไม่คิดว่าไอความรู้สิ่งนี้เป็นของดีเราจ ะ, จะอยากจะคิดแบบนี้ไหมบางคนไม่กล้าคิดที่ไม่กล้าคิดก็เพราะไม่มีปัญญา ไม่มีปัญญาที่จะคิดไม่คิดว่าไอ้ความคิดแบบนี้ปัญญาแบบนี้ช่วยให้เขาออกจากวัตตกก็เลยไม่อยากจะเจริญความคิดอันนี้ไม่อยากจะเจริญความเห็นอันนี้ทั้งๆที่ความเห็นอันนี้เป็นเป็นอะไรเป็นกังขาวิตรณะวิสุธทธินะความเห็นในกรรมและผลของกรรมเนี่ยเป็นความเห็นเพื่อขจักความสงสัยในการสามเป็นความเห็นที่บริสุทธ นนะที่เป็นผลของทิฏฐิวิสุธทธิเป็นความบริสุทธิ์ที่สามารถข้ามพ้นความสงสัยในการถามไม่สงสัยเลยว่าในอดีตนี้เคยหลั่งน้ําตา ม, มาแล้วมากกว่าน้ําทะเลมหาสมุทรถ้าเรายังท่องเที่ยวไปในวัดตะน้ําตาของเราจะต้องหลั่งกว่าน้ําทะเลมหาสมุทรอีกเพราะทุกคนกําลังอยู่ท่ามกลางวัดตะไม่รู้ต้นมันอยู่ที่ไหนก็ไม่รู้ใช่ไหมแล้วที่จบมันอยู่ที่ไหนก็ไม่รู้ทุกคนกําลังอยู่ในท่ามกลางกลางเนะ เริ่มเมื่อไหร่ก็ไม่รู้จบที่ไหนก็ไม่รู้นะเพราะเหตุผลเหตุผลเหตุผลเชื่อมโยงกันไปอย่างนี้จนไม่รู้คำว่าจบอยู่ณที่ใดเนี่ยนะจบอยู่ณที่ใดพันเราจะต้องมีความเห็นตัวนี้ให้มากๆไอตัวปัญญาตัวนี้แหละเป็นสัมมาทิฏฐิที่จะต้องอ บ, บรมจะต้องเจริญให้มีขึ้นให้มากขึ้นเท่าที่จะทำได้ให้มากที่สุดเนีย่ยนะ ถ้าหากว่าเราไม่รู้เนี่ยนะหรือปล่อยให้ความไม่รู้เหล่านี้มันจเจริญขึ้นเนี่ยนะเราก็ชื่อว่าเป็นผู้จเจริญมิจฉาทิฐิดีๆนี่แหละเพราะความรู้เรื่องกรรมมสกตาเป็นสัมมาทิฐิถ้าเราไม่สนใจในเรื่องกรรมมัสกาแสดงว่าเราปรารถนาหรือยินดีอยู่ในมิจฉาทิฐิเพราะฉะนั้นบางคนก็เลยเอาคาว่ากรรมวิปา ก, กเป็น อ, อจินไตยไม่ควรเอามาคิด ก็เลยไม่ต้องคิดเรื่องกรรมไม่ต้องคิดเรื่องผลของกรรมไม่ต้องคิดเรื่องบุญเรื่องบาปเรื่องผลบุญผลบาปเว้ยคิดแล้วฟุ้งซ่านเขาบองกงั้นนะก็เลยไม่ยอมเอามาคิดเลยดีไหมนะตอนะีขอมาว่าถ้าใครคิดว่าอย่างนั้นดีนะสาธุนะโดยบุญที่ทําไม่ดีแล้วขอให้ห่างคนประเภทนั้นเป็นร้อยโยต์พันโยต์หมืน่นโยต์ห่างกันได้เท่าไหร่ยิ่งดีเนยนะนะเหมือนกับห่างยุงห่างแมลงห่างห่างตัวบุ้งอย่างนั้นแหละเพราะเดี๋ยวมันจะคันเอาลําบากมากนะ เพราะว่าคนที่ไม่รู้เนี่ยนะมันมันโลกของคนไม่รู้มีอะไรบ้างที่เขาทําไม่ได้โดยเฉพาะบาปนะเว้นแต่บุญนี่แหละมันเคยรู้จักคนที่มากไปด้วยความไม่รู้นะเขาด่าพ่อเขาก็ได้ด่าแม่ก็ได้ฆ่าพ่อก็ได้ฆ่าแม่ก็ได้ น, นะเขาทําได้ทุกอย่างจริงๆไอ้โลกของความไม่รู้เนี่ยนะแต่ว่าชนในเมืองบางกลุ่มอาจจะไม่รู้จักแต่ว่าชาวชนบทหลายแห่งนี้เป็นเช่นนั้นจริงๆ คนะ่าพ่อค่าแม่ก็มีสรุปมาทบทวนในเรื่องกรรมอีกครั้งหนึ่งนะว่ากรรมในอดีตให้ผลในปัจจุบันกรรมในปัจจุบันให้ผลต่อไปในอนาคตโลกนี่เชื่อมโยงกันในลักษณะนี้ทีนี้กรรมในอดีตที่ม่ให้ผลในปัจจุบันก็หนึ่งที่ตธรรมเวชนียกรรมบางอย่างเป็นกรรมที่ทาในชาตินี้แหละอย่างที่สองบางอย่างเป็น อุปชาเวชนียกรรมกรรมในชาติที่แล้วดวงที่เจ็ดมาให้ผลชาตินี้บางอย่างก็เป็นอ布拉เ ป, ะปยะเวชนียกรรมกรรมในชาติที่สามถอยหลังไปเป็นแสนโกดกับนะเป็นแสนโกดกับหรือเป็นอสงไขยกับที่แล้วเนี่ยนะมีอยู่ครั้งหนึ่งพระองค์ตรัสว่ากรรมที่ทําให้พระองค์เป็นพระพุทธเจ้านี่คือกรรมอะไร เคยได้ยินไหมกรรมอะไรที่ทําให้พระพุทธเจ้าเป็นพระพุทธเจ้าคือให้พระโพ ธ, ธิสัตว์ได้เป็นพระพุทธเจ้าบอกมีอยู่ครั้งหนึ่งมีพระภิกษุห่ผมผ้าเก่าๆท่านมีอยู่ผ้าเก่าๆอยู่พื้นหนึ่งเอาผ้าเก่าๆพื้นนั้นไปถวายแล้วตั้งความปรารถนาเป็นพระพุทธเจ้าบอกด้วยกรรมอันนั้นทําให้พระองค์เป็นพระพุทธเจ้าเนี่ยนะอันนี้คือหนึ่งในในจำนวนเหตุทั้งหลายเนี่ย น, น, นะ แต่ว่าเหตุตัวนั้นสําคัญถ้าสิ่งนั้นไม่สําคัญพระองค์จะไม่เอามาแสดงเห็นไะหนะถามว่ากรรมตัวนั้นกว่าจะสํำริดผลให้เป็นพระพุทธเจ้าได้กี่อสงไขย<ม>นับตั้งแต่ปรารถนาในใจมาก็ยี่สิบอสงไขยเนี่ยนะนะโอ้ถวายผ้าเก่าพืนนั้นรอตั้งยี่สิบอสงไขยจึงได้เป็นพระพุทธเจ้ารอแบบสบายเลยใช่ไหนอนตีพุงเล่นอย่างนั้นไหมไม่เนี่ยนะนะแลกด้วยเนื้อเลือดและ น้ำตาลแลกด้วยบุตรพริยาและทรัพย์สินแลกด้วยการเวียนไหวอยู่ในสังสารทุกข์กว่าจะได้เป็นพระพุทธเจ้าเนี่ยนะกว่าจะเป็นพระพุทธเจ้ า, นะาจเ พ, พืเ่อจะมาแสดงธรรมก็หน้าคิดนะว่าโอ้โสั่งสมมา ก, กว่าจะได้มาแสดงพระไตรปิฎกให้เพื่อสงเคราะห์คนอื่นตามปณิธานว่าอยากให้ผู้อื่นรู้ด้วยแล้วแต่สมัยนี้เขาก็ไม่ค่อยอยากรู้เท่าไหร่นะดูได้จากพระไตรปิฎกเนี่ยอุย้ยเก็บเก่าะนะ ก็บอกว่าสันปกนี as as ่เก่ามากแต่เปิดดูแล้วนะเอ้ยยังไม่ได้แจกเออนะนะตัวที่ที่เขาตัดไม่เรียบร้อยนะยังอยู่ตามเดิมเนี่ยนะอย่าหมวยอย่าไปทําอย่างนั้นเนื้ออายก็ตายเลยอ่านอ่านบ้งไม่ใช่เอาไปพลิกพิกเออเล่มนี้กหน้านี้ยังไม่เคยเปิดเลยดูที่มันติดกันเป็นเถือกไปหมดเลยอย่างนั้นนะก็แสดงว่าเราพระพุทธเจ้าปรารถนาว่าเรารู้แล้วจะให้ผู้อื่นรู้ด้วยแต่ว่ายุคหลังๆไม่ค่อยอยากจะรู้ด้วยเลยเนี่ย ดูได้จากว่าพระไตรปิฎกก็ไม่สนใจจะอ่านพระธรรมก็ไม่สนใจจะศึกษาก็าแสดงว่าไม่ได้ตั้งความปรารถนาที่จะรู้ด้วยอาจจะอยากรู้ด้วยโดยวาจาตามมัน ญ, ญาติของชาวพุทธนะตามมัน ญ, ญาติของชาวพุทธทั่วไปก็บอกเออก็ดีอ่ะดีอ่ะแต่ว่าจริงๆแล้วไม่ได้อยากรู้สักเท่าไหร่นี่นะไม่เชื่อลองชวนไปเรียนธรรมะดูไม่ง่ายหรอกก็บอกว่าชวนไปไหนยากที่สุดบอกชวนมาเรียนธรรมะนี่แหละเนี่ยนะถ้าชวนไปอย่างอื่นนะ ง่ายหมดเลยเว้นแต่ชวนมาศึกษาธรรมะนี่ชวนยากมากเลยนะทั้นที่ชวนที่ชวนศึกษาธรรมะง่ายๆนะั่นต้องไปชวนบ้านไกลมากเลยนะบางทีชวนข้ามเขตบางทีก็ชวนข้ามจังหวัดจึงจะได้มาคนหนึ่งมาฟังธรรมนะแต่ถ้ามาชวนมาถ้าชวนไปกิจกรรมอื่นนะโอ้ยละแวกเจ็ดบ้านหรือสิบบ้านที่บ้านเหนือน้องบ้านใต้แแหกันไปหมดเลยอย่างนั้นนะทั้นยากมากในลักษณะการฟังธรรมทั้นผู้ที่ปรารถนาจะรู้ธรรม ตามพระพุทธเจ้าเพื่อออกจากสังสารทุกข์จึงไม่มากานไที่พระองค์ตรัสไว้ก็จริงแท้เนี่ยนะที่บอกว่าโลกนี้นะน้อยนักที่จะรู้แจ้งน้อยนักที่จะรู้แจ้ง อ, อริยสัจน้อยนักที่จะบรรลุธรรมอยงนั้นเถอะเพราะฉะนั้นโลกเนี้ยโดยมากจึงไปสู่อบายทุกคติวินิบาตนรกเพราะฉะนั้นน้อยคนนักที่จะบรรลุแบบนี้เปรียบเหมือนนก ที่ติดบ่วงของนายพรานหรือที่ติดตะข่ายของนายพรานน้อยนักที่จะหลุดได้เหมือนกับสัตว์น้อยนักที่จะตรัสรู้ธรรมเนี่ยนะตรัสรู้ธรรมมันก็ของเราเนี่ยขอเลือกอยู่ในคนหมูมากหรือชนหมู่น้อยดีขอเลือกอชนกลุ่มน้อยเนี่ยนะ<笑><笑><笑>ก็นะก็ชนกลุ่มมากก็ลําบากนะมีโครงการหนึ่งบอกจัดงานปีใหม่มีคนมารวมกันเท่าไหร่น่อยประมาณเจ็ดหมื่นคนเนี่ยนะ ของเราเนี่ยได้ครึ่งเปอร์เซนต์หรือเปล่าเนี่ยในเจ็ดมือนเนี่ยนะไม่ได้นะอันกิจกรรมสร้างวัดตะกนี่เต็มคนมากจริงกิจกรรมออกจากวัตานี่คนไม่มากแต่ว่าถ้ารู้ว่าคนไม่มากให้ดีใจนะว่าได้อาจจะกำลังเดินถูกทางอยู่ทำไมทาไมรู้ไหมเพราะธรรมะนี้เป็นธรรมะที่เป็นไปเพื่อความมักน้อยเป็นไปเพื่อสันโดษเป็นไปเพื่อไม่คลุกคลีด้วยหมู่คณะ อันนั้นเป็นไปเพื่อสงบริงญาเป็นไปเพื่อวิเวกอันนั้นเป็นไปเพื่ออะไรเลี้ยงง่ายเป็นต้นเนี่ยนั่นคือลักษณะของผู้ที่จะออกจากวัตฏะเขาเป็นอย่างนี้จริงๆอย่างที่พระพระอนุท ธ, ธะใช่ไหมท่านคิดถึงว่าอ้ธรรมะในพระพุทธศาสนาเนี่ยนะเป็นธรรมะที่เป็นไปเพื่อความมักน้อยไม่ใช่เป็นไปเพื่อความมักมากเป็นไปเพื่อสันโดษไม่ใช่สังสม เป็นไปเพื่อปราลบเป็นไปเพื่อสงัดวิเวกไม่ใช่เป็นไปเพื่อคลุกคลีเป็นไปเพื่อปรารบความเพียรไม่ใช่เกียรคร้านเป็นไปเพื่อสติตั้งมั่นไม่ใช่หลงลืมสติแต่เชื่อไหมกิจกรรมที่ทําให้หลงลืมสติกลับขายดีมากอะให้หลงลืมสตินี่เอาอะไรมาทําให้หลงลืมสติลืมแม้กระทั่งตัวเป็นใครลืมแม้กระทั่งลืมพ่อลืมแม่ลืมบ้านลืมช่องลืมอะไรไปหมดเลยนะนะทำไมมันก็ ก็สมาคมนักดื่มทั้งหลายหลยเนี่ยนะกลุ่มนักดื่มทั้งหลายหลยพวกนี้ลืมหมดเลยนะลืมทุกเรื่องลืมแม้กระทั่งว่าบางคนลืมแม้กระทั่งสตังเนี่ยนะลืมตัวลืมแม้กระทั่งลืมว่าตัวเองนี่ยังมีชีวิตอยู่นะว่าพร้อมที่จะเสียหายหมดเพราะฉนั้นธรรมะของพระพุทธเจ้าเป็นธรรมะที่ผู้มีสติตั้งมั่นไม่ใช่ธรรมะของพวกหลงลืมสติเนี่ยนะมันจะดีใจมากที่ไม่มีคนเมามานั่งฟังเลยนะ มันก็แล้วธรรมะนี้เป็นของผู้มีจิตตั้งมั่นไม่ใช่ธรรมะของคนฟุ้งซ่านไม่ใช่เป็นของคนฟุ้งซ่านธรรมะนี้เป็นของผู้มีปัญญาไม่ใช่เป็นของคนไร้ปัญญาเนะเป็นของผู้มีปัญญาแล้วก็ธรรมะนี้เป็นธรรมะที่ไม่เนิ่นช้าในวัตะเป็นธรรมะที่ไม่ขยายวัตะเป็นธรรมะที่ไม่ต้องการจะยืดวัฏะถ้าใครมีความเห็นอย่างนี้ดีแสดงว่า เจริญวิสุทธิระดับสูงได้เนี่ยนะเพราะเป็นฐานอย่างดีที่จะให้เจริญวิสุทธิระดับสูงแต่ถ้าพื้นฐานเหล่านี้ไม่ดีเนี่ยนะวิสุทธิระดับสูงเนี่ยน่าจะเจริญยากมากทีนี้ในเรื่องของกรรมเนี่ยนะส่วนที่น่าเอามามาคิดอีกอันหนึ่งเนี่ยนะบอกว่าถ้ากรรมไหนหนักก ร, รรมนั้นให้ผลก่อนใช่ห กรรมใดหนักกรรมนั้นให้ผลก่อนหมายความว่าถ้าเราทําอนันตริยกรรมมาอนันตริยกรรมจะให้ผลก่อนถ้าไม่ทําก็แล้วไปทีนี้ถามว่าถ้าไม่มีอนันตริยกรรมกรรมไหนให้ผลก่อนกรรมที่นึกได้ก่อนตายนึกถึงกรรมใดกรรมนั้นจะให้ผลก่อนตายนะเตียงสุดท้ายนอนนึกถึงอะไรดีเนีน่ยเตียงสุดท้ายหมายความว่าคือ อนึกถึงพระธาตุนะนึกถึงพระพุทธเจ้านึกถึงอะไรดีเนาะก็ต้องดูว่าวันนี้คิดถึงพระพุทธเจ้ากี่ครั้งละพอที่จะว่าถึงเตียงนั้นเราจะนึกถึงพระพุทธเจ้าได้หรือเปล่าสังเกตดูจากตอนป่วยนัคิดถึงใครมากที่สุดก็ดูเอาถ้าคิดถึงพระรัตนตรัยก็น่าจะไปดีอนะถ้าไม่ทึกถึงพระรัตนตรัยนึกถึงอย่างอื่นเข้าก็อันนะก็ขอแสดงความกรุณาไว้ก่อนอันะั เพราะวันนั้นอาจจะอะไรนะครับไม่มีการไปแสดงความเห็นใจกันนะก็ก็เป็นอย่างนั้นวะก็สุดแท้แต่ว่าถ้านึกถึงตัวใดหรือนึกถึงกรรมใดกรรมนั้นจะนําเกิดทีนี้เราก็มันทบทวนดูในชีวิตเราชํานาญเรื่องอะไรที่สุดเราก็ต้องนึกถึงสิ่งนั้นอยู่แล้วใช่ไหมโดยมากใครชํานาญเรื่องอะไรตัวเองก็จะชอบคิดถึงสิ่งนั้นนะก็ลองลองเราลองไปพูดกับคนที่เขาชํานาญเรื่องใดนะตั้งกระทูถ้ถามคําเดียวที่เหลือเขาพูดหมดนะเพราะเขาชํานาญในสิ่งนั้นมาก สิ่งที่พูดแล้วเขาจะเริ่มเลิกพูดเลยก็คือเนี่ยถามว่าเขาคิดถึงพระพุทธเจ้ายังไงบ้างหรือถามว่าพระพุทธเจ้าดียังไงไอ้คนนี้มันไม่รู้เรื่องเลยนะดูสิเขาถามเนี่ยเห็นถามรู้เรื่องเลยใช่ไหมตําหนิไอคนที่มาถามอีกว่าเขาถามไม่รู้เรื่องว่างั้นไนงะถามว่าพระพุทธเจ้าเป็นใครแค่นี้ก็ไม่รู้จักพระพุทธเจ้าเนี่ยตําหนิเชื่อเถอว่าคนที่ตอบไม่รู้จักพระพุทธเจ้าหรอกเข้าไหม ถ้าเขารู้จักพระพุทธเจ้าดีเขาจะรีบอธิบายเลยนะฮ้พระพุทธเจ้าดีอย่างนี้ดีอย่างนั้นพูดถึงพระพุทธเจ้าอย่างมีความสุขเพราะเขารู้จักพระพุทธเจ้าเป็นอย่างดีเนี่ยนะเพราะว่าคนที่เขาถามบางทีเขาถามเพื่ออะไรนะถามเพื่อการสนทนาเขาไม่ได้ถามลักษณะถามเพื่อจะลองภูมิลองอะไรหรอกบางทีทีนี้ถ้าหากว่าเรานึกถึงพระพุทธเจ้าได้ไม่มากคิดหรือว่าก่อนตายเราจะนึกถึงพระพุทธเจ้าเพราะตอนตายนึกอะไรไม่ออกอยู่แล้ว แต่ว่าไอ้ก่อนตายเนี่ยนะวิธีสุดท้ายก่อนตายเนี่ยนึกถึงอะไรอยู่ถ้านึกถึงสิ่งที่เราเคยทำมาก็ชีวิตเราทำอะไรมากอะ่ะอยูอ่เข้าศีลมากหรือออกศีลมากก็ดูเอาควรจะนึกถึงตอนเข้าศีลหรือออกศีลดีเชื่อไหมว่าคนโดยทั่วๆไปนะถ้าทำบาปหนึ่งครั้งมันจำจนตายทำบุญหลายครั้งบางทีนึกไม่ค่อยออกอบางคนนี่เป็นอย่างนั้นใช่ไหม คำที่ไปพูดดีๆเป็นหมื่นคำก็พูดจําไม่ค่อยได้แต่ไปด่าใครไว้คําเดียวจําแม่นมากนะบางคนนี่เป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นระวังนะไอ้ที่นึกไปล้วงเอาบาปตัวเดียวมาเนี่ยนะก็ระวังนึกถึงว่าบางคนนี่เกิดมาทําบุญมาตลอดมีเมตตาการุณาตีมดไว้ครั้งเดียวนึกถึงแต่ที่ตีมดเอาไว้นั่นแหละอันนั้นก็ดูว่าน่าจะไปไม่ดีเพราะฉะนั้นสมมุติถ้าหากว่าก่อนตายไปนึกถึงปาณาติบาตปาณาติบาตจะนําเกิด ก่อนตายนึกถึงอาทานอินนาธานอทินนาธานจะนําเกิดก่อนตายนึกถึงกาเมสุมิชฌาจารย์กาเมจะนําเกิดตอนตายนึกถึงมุสาวาตมุสาวาตจะนําเกิดเช่นใครนึกไหมพนางมารีกาไปหลอกพระเจ้าปเสนที่โกศลเอาไว้แล้วก็ก่อนตายนี่นึกถึงไอ้ที่ไปหลอกผัวไว้นะก็เลยตกนรกตั้งเจ็ดวันที่จริงเนี่ยนางทําบุญไว้ยเยอะมากเลยนะก็คือแบบพระเจ้าปเสนที่โกศลเนี่ยนะพอได้ฟังนะเขาว่าพอรู้ว่ามเหสีตายก็เสียใจ ก็เข้าไปเฝ้าพระพุทธเจ้าเพื่อจะถามว่าพนางมริกาไปเกิดที่ไหนพระเจ้าค่ะใจเนี่ยวางแผนไว้แล้วว่าจะต้องไปถามพระพุทธเจ้าพอไปถึงพระองค์ก็อธิษฐานให้ลืมลนะะก็เอาก็เลยคุยกันไปเสร็จแล้วก็กลับวังกลับไปถึงวังอา้าวลืมถามนี่ว่าพนางมริกาเกิดที่ไหนวันที่สองก็ไปใหม่จะไปถามอีกพระพุทธเจ้าก็เทศเรื่องอื่นให้ฟังอีกลืมถามเรื่องพนางมริกาตายแล้วไปเกิดที่ไหนอ วันที่3วันที่4สั่งพวกอมาตะไวเลยนะแก ต, ต้องช่วยถามเรื่องนี้ด้วยนะกูอมตะก็ลืมหมดอีกพระพุทธเจ้าอธิษฐานให้ลืมพอวันที่7เนี่ยนะพระองค์ก็เสด็จมาที่วังของพระเจ้าเปรสันิโกศนเองก็ไปนั่งจัดให้ฉันในโรงราชรถเก่าๆคำว่าโรงราชรถเก่าหมาย ว, ามว่าเก่าสมัยว่ารถของพระเจ้าปูพระเจ้าทวดอะไรของพระเจ้าเปรสันทิโกสนก็ไปให้พระพุทธเจ้าประทับนั่งฉัน ใ, นใกล้โรงรถ เสร็จแล้ววันนั้นพระเจ้าประเส้นที่โกศล น, นึกได้เออค่ะแต่พอองผู้เจริญพระนางมริกาไปเกิดที่ไหนพระเจ้าขา่าเกิดในดุสิตมหาบาพิตรนะนะวันที่7เนี่ยนางตายจากนรกพอดีไปเกิดดุสิตบอกอู้นี่ถ้าพนางมริกาไม่ไปดุสิตแล้วใครจะไปงงนนะอย่างนั้นนะว่านางเนี่ยมีแต่บุญเลยวันวันหนึ่งแนละ้วตื่นแต่เช้ามาเห็นนางพูดแต่เรื่องบุญอย่างเดียวอู้ท่านางไม่เกิดดุสิตแล้วใครจะไปเกิดองั้นท่านางไม่เกิดในสวรรค์แล้วใครจะเกิดแต่ว่าก่อนหน้านั้นเจวันนี้พระ อ, องค์ไม่ให้ถามใช่ไหย ถ้าถามณพระเจ้าประเสริฐที่โกศลเลิกนับถือบุญบาปแน่นอนก็คนทำบุญขนาดนี้ยังตกนรกอ่ะแต่ทำไมนางยังตกนรกก็ไปหลอกสามีไว้ครั้งเดียวนั่นแหละกรรมตัวนั้นเนี่ยนะเพราะฉะนั้นอย่าคิดนะว่ามันเล็กน้อยเนี่ยถ้าไปทำบาปเพราะถ้าใครนึกถึงมูสาวาสก่อนตายกรรมที่มุสาวาสจะนำเกินดีว่าพระนางมาลิกาเนี่ยทาบุญไว้มากทาบาปนิดเดียวคือมุสา ถ้าไปทำบาปไว้เยอะๆเลยนะกรรมตัวหนึ่งนำเกิดในนรกและไอ้ที่เหลือมาหมดเลยเข้าแถวเรียงมาเลยใช่ไหมปาณาติบาตก็ตามมาทินนาทานก็ทามาการเมสุมิชฉาจารก็ตามมาหมายความว่าขอให้มีเรื่องเรื่องขึ้นขึ้นโรงพักขึ้นโรงขึ้นศาลเถอะเดี๋ยวโอ้โหคนอื่นจะตามมาฟ้องเต็มไปหมดเลยอันนี้สาหรับคนที่ทาบาปไวมากเพราะฉะนั้น นึกถึงมุสาวาทมุสาวาทนําเกิดนึกถึงพุทธสวาจจารไปด่าพระ้าหันเป็นต้นเอาไว้เนี่ยนะก็คําเหล่านั้นนําเกิดไป น, นึกถึงเป็นนักดื่มสุราเนี่ยกรรมตัวนั้นนําเกิดหรือนึกถึงพวกอภิชาพยาบาทหรือนึกถึงมิจฉาทิฐินึกถึงตัวใดตัวนั้นจะนําเกิดถ้านึกถึงก่อนตายนะเพราะนึกถึงสิ่งใดแสดงว่าใจยินดีกับสิ่งนั้นนึกถึงสิ่งใดนะีใจยินดีกับสิ่งนั้นเว้นแต่ผู้มีสัมมาทิฏฐิ นะผู้สัมมีสัมมาทิฏฐิก็ น, นึกปั๊บเออนี้เป็นอกุศลเขาเรีบเปลี่ยนอารมณ์ทันทีพร้อมที่จะไปดีได้แต่ถ้าพวกมิจฉาทิฏฐิทั่วๆไปไม่รู้กรรมไม่รู้ผลของกรรมนึกถึงเรื่องบาปเพลิ้นไปกับบาปเลยนะก็อันนี้ไปไม่ดีทีนี้ในฝ่ายบุญมั่งนึกถึงทา น, น ก, กุศลทานจะนําเกิดนึกถึงศีลศีลจะนําเกิดนึกถึงเมตตาเมตตาจะนําเกิดอย่างที่พระองค์ตรัสว่าผู้ที่ให้ทานไม่หลงทำกาลกิริยา ก็คือนึกถึงทานที่ตัวเองได้ให้ก่อนตายหรือผู้ที่รักษาศีลไม่หลงทำกาลกิริยาเพราะเขานึกถึงศีลที่เขารักษามาเป็นอย่างดีหรือผู้เจริญเมตาก็ไม่หลงทำกาลกิริยาเพราะอะไรเพราะเขาเจริญเมตตาไว้เป็นอย่างดีนั้นคนที่เจริญเมตานึกถึงใครก็เป็นเมตตาหมดฉะนั้นเขาก็พร้อมที่จะไปดีได้หมดเลยเพราะเขาเจริญเมตตาไว้ในทั่วทุกคนทั่วทุกคนทุกสัตว์ เรียกว่าอัปปมัญญาเนี่ยเจริญไว้ในทุกผลทุกแห่งในทุกอารมณ์เขานึกถึงใครเขาก็ไปดีเพราะเขาเป็นผู้มีเมตตาเนี่ยนะอันนี้คือผู้ที่สั่งสมบุญไว้มากถ้าผู้เจริญวิปัสสนาไว้มากนึกถึงอารมณ์อะไรก็ไปดีเออท่านนึกถึงไอ้อะไรเป็นรูปอะไรเป็นนามจะไปดีหรือเปล่าพอไมผมมคิดว่าพอไม่จะไปสวรรค์ได้เนี่ยนะพอไหมคุณนี่เราัน ออยังไม่พอนะต้องรีบเจริญให้มากๆบัดนี้ท่านก็ดุดใบไม้ใบไม้เหลืองแล้วโบสถ์แห่งพญายมก็ปรากฏแก่ท่านแล้วเนี่ยนะเรีอะไรนะที่เพึ่งในระหว่างทางก็ยังไม่มีสเสบียงทางก็ยังไม่มีนะเพราะฉนนั้ท่านจงเป็นบัณฑิตเนี่ยนะจงรียบเร่งอนะจงภาพเพียรพยายามเพื่อจะหาเกาะหาที่พึ่งให้แก่ตัวเองเถอะเนี่ยนะ ก็นี Anfang, ่แหละจึงด้านด้นมาตั้งกต่เชียงใหม่มาฟังทํมางั้นน่ะนะเวลาวันก็ได้ช่องมาพูดต่อยงเงี้ยนะ